สิให้รู้ทันสภาวะของจิตในขณะที่จิตเป็นกุศลแล้วเผลอเพลินไปกับกุศลไม่ดีจิตของเราเพลินกับตัวรู้แช่อยู่กับตัวรู้อย่างนี้ไม่ดีถ้าจิตเป็นอกุศลฟุ้งซ่านและเราเห็นใจของเราไหลไปเคล้าเคลียอยู่อันนั้นดีนะเรารู้ทันสภาวะฉะนั้นดีหรือไม่ดีในการปฏิบัติมันอยู่ที่ว่าเห็นหรือไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลอย่างนั้นดีนะ จิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลอันนี้ก็ดีแต่ถ้าจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลอย่างนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นที่เห็นว่าตอนนี้จิตใจฟุ้งซ่านอันนั้นแหละดีแล้วแต่อย่าไปช่วยให้มันฟุ้งซ่านนะ